เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนักท่องคนชอบเล่าวันนี้อยากจะเล่านิทานที่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมนะครับเกี่ยวกับความคิดของบุคคลคนหนึ่งลองฟังกันดูนะครับการละครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีกรรมมาก ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เคยเจริญรุ่งเรืองกับใครเขาเลยกลับไปบ้านก็โดนเมียดา่ารุ่มใจอยู่ทุกวันคิดไปคิดมาก็คิดที่จะฆ่าตัวตายแต่เพื่อนคนหนึ่งของเขากระทักท้วงขึ้นว่าเฮ้ยอย่าทาอย่างนั้นนะเพื่อนกำห้าร้อยชาติชันะมันจะมายังไงก็นหนีไม่พ้นหรอก500อชาตินะงั้นเราจะทำไงดีล่ะชายคนนี้เลยถามเพื่อนไปเพื่อนก็บอกว่าเอาอยัางงี้ ถ้าอยากจะตายก็ไปตายที่ภูเขาลูกหนึ่งตรงนั้นละกันที่นั่นจะมีช้างอยู่8ดตัวกําลังตกมันอยู่ทั้งนั้นเลยเขาลูกนั้นเนี่ยมันจะมีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งหายเจ้าอไปที่หินตรงนั้นละกันเมื่อไปถึงแล้วก็ไปทุบก้อนหินก้อนนั้นแรงๆแรงๆช้างมันได้ยินเสียงมันก็จองอมาแทงแก่จนตายนี่แหละเพื่อนก็แนะนําดีละเกินเมื่อได้ฟังชายคนนั้นจึงเดินทางไปยังภูเขาลูกที่เพื่อนของตนบอก แล้วก็ไปทุบเอาก้อนหินก้อนนั้นดังๆเมื่อช้างทั้งแปดเชือกได้ยินก็รีบวิ่งออกมาหมายจะเอางาแทงให้ตายดิ้นติดกับก้อนหินก้อนนั้นแต่กรรมของชายคนนั้นยังมาไม่ถึงก้อนหินก้อนนั้นก็กลับกิ้งสะท้อนมาชนล่างช้างทั้งแปดตัวตายซะหมดชายคนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงตกใจก็ตกใจแต่ก็งุนงงก็เลยเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงเมืองของงู พอพวกงูเห็นมนุษย์เดินเข้ามาในเมืองงูมันเลยคุยกันว่าเฮ้ยเฮ้ฮพวกเรามีคนเข้ามาถึงเมืองของเราเราควรจะกินมันเสียในระหว่างที่พวกมันกําลังคุยกันอยู่นั้นก็มีเสือตัวหนึ่งกําลังเดินผ่านมาพอดีและได้ยินเข้าเสือก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มนุษย์นั้นมันมีปืนนะเดี๋ยวมันจะเอาปืนมายิงพวกเราตายกันทั้งหมดพวกเจ้าอยู่ที่นี่นะข้าจะไปดูให้เอง เพราะเวลาเจ้าไปเสียงมันจะดังข้าเนียสิย่องเบาๆเดี๋ยวจะลากมาให้กินโอเคไหมถ้าเจ้าได้ยินเสียงเปรี้ยงก็ให้รีบหนีไปซะแต่ถ้าเจ้าได้ยินเสียงคนร้องจากจากตกใจกลัวก็ให้รีบเข้าไปนะงูได้ฟังจึงตกลงปงใจร่วมแผนการกับเสือจากนั้นเมื่อเสือนั้นเข้าไปกะจะตกะรุปเอาชายคนนั้นมากินเสือก็กระโจนเข้าไปอย่างแรงแต่ว่าเสือนั้นกระโจนสูงและแรงไปหน่อย เลยข้ามหัวชายคนนั้นไปคาอยู่บนกิ่งไม้ไปไหนไม่ได้เลยแล้วเมื่อชายหนุ่มคนนั้นหันไปเห็นเสือด้วยความตกใจสุดขีดลืมไปว่าตนเองนั้นกําลังอยากจะตายก็วิ่งหนีร้องแลกแหกกระเจิงร้องจากจากเสือเสือเสือเสือเสือเมื่อเหล่าวัวได้ยินนึกว่าเสือทําตามแผนสําเร็จก็พากันเลื้อยเข้ามาอย่างรวดเร็วชายหนุ่มนั้นก็วิ่งไปไม่ได้มองด้วยความตกใจไม่รู้ว่านรกบันดาลหรือสวรรค์ช่วย จึงวิ่งแบบมั่วตัวไปเหยียบพวกงูตายกันหมดเลยวิ่งวนไปวนมาวิ่งวนไปวนมาจากจุดนั้นพอไปได้สักระยะหนึ่งก็คิดได้ว่าตนเองนั้นอยากจะมาตายแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเสร็แล้วจากนั้นก็ได้แต่เดินไปเรื่อยๆจนไปเจอกับพระฤาษีตนหนึ่งพระฤาษีนั้นก็แปลกใจเอ๊ะมนุษย์ที่ไหนกันนะเข้ามาในเขตดินแดนแถวนี้ได้ผ่านทั้งอสรพิษร้อยแทั้งพยาเสือ อ, อีก แล้วพระฤาษีก็เดินเข้าไปหาชายคนนั้นถามว่าเจ้ามาได้อย่างไรชายหนุ่มนั้นก็ตอบพระฤาษีไปว่าคือว่าตัวข้าน้อยนี้อยากจะตายพระเจ้าค่ะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ทําให้ข้านั้นไม่ตายเหตุที่ข้านั้นอยากจะตายก็เพราะว่าข้านั้นทําอะไรก็ไม่เคยที่จะสําเร็จสักอย่างขอรับท่านพระฤาษีท่านก็ให้ชายหนุ่มคนนี้ลองลุกและเดินไปเดินมาเพื่อที่จะดูอะไรบางอย่างชายหนุ่มก็เดินไปเดินมาให้กับพระฤาษีดู เมื่อพระฤาษีได้ดูแล้วพระฤาษีจึงเอ่ยกับชายหนุ่มว่าอุ้งเจ้านี่ตอนเกิดมานั่นน่ะแอบมาเกิดโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตเขาเลยไม่ได้เอาอะไรให้เจ้ามาด้วยเลยเจ้าเลยมาเกิดยังไม่มีอะไรสักอย่างทําอะไรก็ไม่สําเร็จเหมือนคนอื่นเขาหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันข้าจะสอนวิชาให้เจ้าไว้ติดตัวเพื่อใช้ในยามคับขันเมื่อเวลาผ่านไป ชายหนุ่มได้เรียนวิชาจากพระฤาษีไปสักพักเวลาหนึ่งแล้ววันหนึ่งพระฤษีจึงบอกว่านี่เจ้าไปหาลูกไมห้หัวมันมาให้กับข้าหน่อยสิชายหนุ่มก็ไปหาลูกไมห้หัวมันมาให้ตามคาของพระฤาษีเมื่อชายหนุ่มหาผลไม้มาให้แล้วฤาษีก็ได้อวยพรให้กับชายหนุ่มแล้วบอกว่าเจ้าจงเดินไปทางนั้นนะและเจ้าจะไปพบกับเมืองเมืองหนึ่งลูกสาวของเจ้าเมืองไม่สบายรักษาอย่างไงก็ไม่หาย เดี๋ยวเจ้าจงเข้าไปถี่เมืองนั้นแล้วก็รับอาสารับรักษาลูกของเจ้าเมืองนั้นซะนะแล้วพระฤาษีก็ให้ห่อยาห่อหนึ่งกับชายคนนั้นชายหนุ่มเมื่อได้ห่อยาแล้วก็ลาพระฤาษีแล้วเดินทางไปนิทิ ท, ที่พระฤาษีบอกเมื่อเดินทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เดินไปพบกับเมืองเมืองหนึ่งตามที่พระฤาษีบอกจริงๆในเมืองเมืองนี้ลูกสาวของเจ้าเมืองก็ไม่สบายจริงๆ เจ้าหนุ่มนี้จึงได้ลองเข้าไปอาสาเพื่อที่จะลองรักษาลูกสาวของเจ้าเมืองให้หายจากโรคเพราะว่าตนเองนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเสียอยู่แล้วนี่เมื่อเข้าไปแล้วเจ้าเมืองก็ให้รักษาแต่มีข้อแม้ว่าถ้ารักษาลูกสาวของตนให้หายได้จะให้ครองเมืองครึ่งหนึ่งและจะยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยแต่ถ้าไม่หายจะจับไปประหารชีวิตซะชายหนุ่มคนนี้จึงรับคำโดยไม่เกรงกลัวอะไรเพราะว่าตนเองก็อยากจะตายอยู่แล้ว และเมื่อชายหนุ่มคนนี้รักษาได้สักพักอาการของลูกสาวที่ทรุดโทมอยู่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนหายไปในที่สุดพญาเจ้าเมืองนั้นก็ให้เจ้าชายหนุ่มนั้นครองเมืองครึ่งหนึ่งดังคําพูดจริงๆแล้วก็ยกลูกสาวของตนนั้นให้เป็นเมียอยู่มาเรื่อยๆชายหนุ่มคนนี้ก็เกิดความสุขสบายขึ้นมาชีวิตมันสบายขึ้นจริงๆมีทุกอย่างพร้อมสรรพไม่อยากที่จะตายซะแล้วสิเมื่อชายหนุ่มไปเปิดรูชะตาชีวิตของตนในพรหมชาตินั้น ก็เห็นว่าชีวิตของตนเองนั้นจะหมดเมื่ออายุได้72ปีและเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วชายหนุ่มก็ใช้ชีวิตต่อมาเรื่อยๆจนอายุครบ72เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วชายคนนี้บัดนี้ไม่อยากจะตายเสียแล้วก็เลยจะต้องลงไปอยู่ใต้พื้นสะในอุทยานเพราะว่าตนนั้นมีวิชาที่จะเรียนรู้มาจากพระฤาษีชายคนนี้จึงลงไปอยู่ใต้บาดาลโดยเอาโซ่นั้นมัดที่อยู่ของตนไว้ก่อนที่จะลงไปอยู่ ก็ได้เอาราวต่างผ้านั้นไปตั้งไว้รอบรอบสระและทั่วเมืองเพื่อทจะการทหารผีของพญายมราชมาติดตามไปได้และเมื่อถึงกำหนดเวลาที่เขาจะต้องตายเขาก็ลงไปอยู่ที่ใต้น้ำพญายมราชก็ให้ทหารออกตามหาคนที่ถึงคาดรวมถึงชายคนนี้ด้วยเมื่อทหารตามหาวิญญาณของผู้ตายจนเกือบครบแล้วเหลือแต่ชายคนนี้คนเดียวเท่านั้นทหารผีก็ออกตามหาจนทั่วแต่ก็ไม่พบ พระวาตาหารผีนั้นลอดเราตากผ้าไปไปม า, มาจนอาคมหรืออิทธิฤทธิ์เสื่อมลงต่างก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเลยพูดกันว่าอิทธิฤทธิ์ของพวกเรานั้นเสื่อมกันหมดแล้วเพราะาเรานั้นไปลอดเอาราตากผ้ามาเราไปเอาน้ําเขามิ้นส้มปล่อยมาอาบสงตัวเฮริสเรากลับมากันดีไหมทหารผีทั้งหลายก็ยังไปที่สระน้ําในอุทยานเพื่อที่จะเอาน้ํามาแช่อาบแต่เมื่อเดินไปนั้นกลับไปสะดุดอยู่กับโซ่ที่คล้องที่อยู่ของชายคนนั้นที่อยู่ริมสระ ทหารผีทั้งหลายก็จึงลองสาวโซ่นั้นดูสาวไปสาวมาสาวไปสาวมาสุดท้ายก็สาวโซ่ขึ้นมาก็เจอกับชายคนนั้นและก็ได้เอาวิญญาณของชายคนนั้นไปได้ในที่สุดโอ้เห็นไหมละครับคนเดานั้นจะหลีกหนีความตายไปไม่ได้แม้แต่หนียังไงหรือว่าจะเก่งกาจขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะหนีความตายไปได้เลยทุกคนจากนิทานเรื่องนี้ก็จะเห็นว่าไม่ต้องไปฆ่าตัวตายหรอกครับ เมื่อถึงเวลาทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ทุกสปปรรพสิ่งทุกสปปรรพสัตว์ยังไงก็ต้องตายอยู่สักวันหนึ่งแหละครับจงใช้เวลาที่มีชีวิตให้มีค่ามากที่สุดแบบมีปัญญาก็พอนะครับสวัสดีครับ